เวลานี้การเวลาใกล้จยยะถึงวันพระราชสมภพของพระมหาบ พ, าพาิตรพระราชสมภารอาตมาขอรัตนาบร ม, มีพระองค์สมเด็จพระวิธิตรมานบรมศาสัญาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดความดีของเทวดาระกรมแต่พระสยามเทวาธิราช ขอจงประสิทธิ์สายความปลอดภัยให้เกิดแก่พระองค์ขอมีความพระเกษมสมรานมีความประสงค์สิ่งใดโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นสมความัปรสมความประสงค์ของพระองค์จงทุกประการขอถวายพระกรพระมหาบกทิตราชสมภารในการครั้งก่อนโระงค์ได้มีพระ ราชาะตำรัสตรัสสั่งเส้นทางไปสูพ่พระนิพพานเท่าที่ทรงมีพระราชปรสงค์ถ้าตรถามมานั้นถูกต้องทุกอย่างแต่ถ้าว่าทางเข้าสู่พระนิพพานนั้นถ้าจะว่ากันโดยไหนที่จะเข้าถึงจริงๆองค์สมเด็จสรมมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงจัดแนวทางเขา้าสู่พระนิพพานไว้ถ้าพูดถึงจุดในจิตของกำลังใจก็จมีสิบประการด้วยกันคือหนึ่งทานการให้สองสิงการลักษาความเรียบร้อยของกายวาจาและจิตสามเนคธรรมะที่มีอารมณ์สถิตอยูย่ในด้านของสมจรรย์ สี่สัจจะความจริงห้าปริยะความเพลี่ยนหกปัญญาความรอบรู้เจ็ันติความอดทนแปดเมตตาความยอมรับในสิทธิสิ่งอะลรกันห้าเก้อาอธิษฐานการตั้งใจมั่นสิบอุเบกขาความวางเฉยทุกคนทุกคนที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้นั้น ต้องมีกฎสิบประการครอบทุนไปจําใจพระจาใจจะปฏิบัติในความดีในตอนใดตอนหนึ่งก็ตามทีถ้ามีอารมณ์สิบประการนี้ครอบทวนบริบูรณ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเข้าถึงมรรคพันได้เหมือนกันหมดการที่พระมหาวบพิตรราชสัมภารทรงตรัส ถามมาในเรื่องกายเขาสู่ผลิตภัณฑ์เป็นทางสามสายอาตมาเขาเห็นว่าทรงตัดถามมาล้วมีความเข้าใจถูกต้องตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินทร์ศีทรงตัดทรงตัดไว้แต่ถ้าจะ ก, กล่ากันโดยไหนจะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม แต่กว่าเข้าจุดบารมีสิบประการนี้ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหมดการที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสหลักสิบประการไว้อย่างนั้นก็ถือให้เป็นศูนย์กลางของจิตใจในการก่อนที่อาตมาได้ถาวายพระพรมาถ้าจะฟังวาจาที่พูด ก็ดูมันว่าจะเป็นคนร้มัน ญ, ญาติที่กล้าพูดและกล้าถวายพระพรมาในวาจาที่ไม่ ค, มค่อยจะสมควรนักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวาจาที่ห้วนและขาดไปในมัร ญ, ญาตของความดีอาการทั้งนี้อาตมาก็คงต้องของประทานอภัยจยากกับมาหาบทพิ ร, รารณยสมภาน ตนีก็เพราะว่าเวลานั้นอาตมากำลังป่วยมากขันห้าไม่ดีถ้าตวาการเขงขันห้าไม่ดีของอาตมานี้ถ้าบรรดาประชาชนทั้งหลายจะสังเกตอาการภายนอกทางกายก็รู้สึกว่าจะสังเกตได้ยากทั้งนี้อาตมาได้พยายามฝึกฝนตามกระแสพระสัทธมรทเทศสัาขององค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระภาค ในด้านสังขารูเฟีข้า ย, ยานจนมีกำลังใจใช้ได้ตามสมควรไม่มากนักแม้แต่การที่ได้พบพ ร, ระองค์ที่พระมหาบอกพิพะราริยสมผานมีพระมหากรุณาธิคุณไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ยี่ิบกกสิงหาคม ในขณะนั้นอาตมาเองก็กำลังป่วยมากแต่เราไปไหนในความอดทนในการต่อต้านจากการทรมาณจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยกำลังใจตั้งแต่วัดนั้นไป้นมาแต่ความจริงการป่วยมีมาก่อนการนั้นมากหรือนับแต่ขึ้นพศ2519จังกระทั่งวันที่ถวายพระพร แต่พระมาหาบอกพิตพระราชสมภารมาวันที่สิบแปดตุดลาคมสองพันห้ารอสิบเก้าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นมาวันนี้วันที่ดิศหกตุลาคมสองพันห้ารอสิบเก้าอาการก็ยังไม่ดีนะักแต่ได้ ว, ว่าถ้าทงใดเป็นกิจและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ องชนชาวไทยหรือว่าพุทธศาสนาอาตมางก็พร้อมที่จะปฏิบัติทั้งนี้ก็ถือ ว, ว่าจะเป็นการสนองประาหารกุณาดีคุณพระองค์สมเด็จพระสงค์สวัสดิโสภาสถ้าทางใดที่จะเป็นปัจจัยให้โลกมีความสุขและบุคคลจะสามารถจะเข้าถึงธรรมได้ ถึงแม้ว่าจะมีส่วนได้เพียงเล็กน้อยก็ตามทีถ้าจะมาก็ยอมพรีทุกอย่างที่เห็นแล้วว่าขันห้าไม่มีอะไรจรังย่างยืนการที่เย็บระคบระสมขันห้าเึินไปก็จะได้ประโยชน์เพราะขันห้ามีจะโทษไม่มีคุณเัรา <c oughs> ว่าทั้งนี้จะประนามขันห้าซะเลยก็ทีเดียวไม่ได้ การดันห้าเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้คันห้าเป็นทุกขังเต็มบริความทุกคันห้าเป็นอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดเป็นครูที่มีความสําคัญแช้บรรดาสาวโกโคองสมเด็จตัวทรงทันบรมศาสสดาลีการถอนตัวจากคันห้าหวางผลิพันธ์เป็นที่ไป ในการนี้อาตมาก็ขอทบทวนแสพระราชสำ ด, ดัตของพระของพระมหาบพิตรพระราชสมภารกอการนี้เสด็จมาวัดท่าสูงสมัยนั้นมาวันที่ 10. สิบสิงหาคมสองพันห้ารอสิบเจ็ดอาตมาได้ถวายพระพรแด่พระมหาบพิตรพระราชสมภารไว้ ว่าต่อไปประเทศไทยจะพ้นจากภัยปิบัติแล้วก็จะมีความมัง่งคั่งสมบูรณ์โอกาสนี้การนั่นเริ่มเข้ามาทุกแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสภาพแบบฟ้าเพลิงทั้งสางอากาศยังเขาพุกหมวจะมีความลางความเลือนอยู่บ้าง แต่ก็พอเห็นจุดหมายปลายทางรำไรนี่การพยากรณ์เขานั้นต้องถือว่าเป็นขยากรณ์ตามกระแสพระพุทธดีกาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมมาสร์สันดาลสมมาสมุทธเจ้าแล้วก็กล่าวไปตามคำพยากรณ์ของพระระหันต์สมัยกรงเสี ย, ยุธิยานม่ใช่เป็นความรู้ว่าจมาเอง การเวลาผ่านไปย่อมเห็นผลเมื่อวันที่ยี่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบเก้าอตมาได้มีโอกาสเข้าิกรบัญจาการทหารสูงสดุดอาศัยที่พลเรือเอกปงะดิษฐ์ลอยอยู่ได้ส่งนายทหารเอาเครื่องบินปีกหมนมารับแล้วก็วันที่ย2สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อสิบเก้า ก็มีโอกายเข้าไปอีกวาระหนึ่งคราวนี้ได้พบนายทหารส่วนให ญ, ญ่และคณะรัฐมนตรีบางท่านมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำในสนทนาราศัยกันก็เห็นว่าทุกคนมีกำลังใจดีมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกองชนชาวไทยก็เป็นที่น่าปลื้มใจ และมีกำลังใจขึ้นแต่ทั้งนี้คนทุกคนถ้ายังมีกิเลสองค์สมเด็จพระบรมโละเชตเคยทรงตรัสว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เจดนาปราถนาแยกปวงชนชาวไทยและส่วนรมมีจะมีความสุขแต่ว่าในการบางครั้งบางท่านก็จะมีการเผลออยู่บ้าง คำว่าเผลอย่อมมีได้แต่คนทุกคนที่ยังมีกิเลสแต่ว่าใครจะเผลอมากเผลอน้อยเท่านั้นแต่ถ้าในการนั้นเข้ามาถึงก็คงมีการแก้ไขไปในทางถูกต้องและเมื่อแก้ไขดำเนินความไปในทางถูกต้องดีแล้วจะนานนานไปรถต่างๆแห่งความย่อมก็จะค่อยเจอจะจจด จ, จ, จ, จางไปบ้างตามสมควร แล้วก็จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันไปตามปกติเป็นกฎธรรมดาของโลกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะโลกหาที่สุดไม่ได้ <c oughs> ปฏิวัติทาของโลกจะวางไปในมุมใดมุมหนึ่งก็ตามทีอย่าคิดว่าการอย่างนี้เหมาะดีแล้วสมดีแล้วถูกต้องดีแล้วไม่ต้องแก้ไขต่อไปอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของโลก โลกต้องมีการแก้ไขดัดแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรทรงตัวดันั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงตรัสว่าโลกหาที่สุดไม่ได้ไม่เหมือนธรรมะปายธรรมมีที่สุดคือมีพระนิพพานเป็นที่ไปตามกระแสพระดัชตีลำดับของพระมหาบพิตพระราชสมภาร ทรงตรัสถามการเรื่องของนิพานมาสามตอนในวาระแรกในตอนตอน้นแหงเดือนตุ ล, ลาคม2519อาตมาก็ได้วาถวายพระพรมาแล้วแด้ความจริงการถวายพระพรคราวนั้นครุ่มเครืออยู่มากทั้งนี้ก็พราะว่ากระแสพระราชมนตรัสถามมาในคราวนั้นพระมหาวิาษณุทรงตรัส ถามจบพระไตรปิฎกอาตามาจะในหาทางถวายพระพรแบบโลกยอดนี่การถาวายพระพรแบบโลกยอดจะให้ตรงตามความพระราชประสงค์จริงๆก็ายอมเป็นไปได้ยากเพราะว่าทางปณิพันธ์นี้องค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระคาา่าแจวสวางไว้ทุกจุดถ้าอารมณ์ติดเข้าถึงใช้ได้ มาคราวนี้ท่านหมอมเจา้าหญิงวิภาวดีรังสิ์ได้กลับมาแจ้งให้อาต ม, มาทราบวา่าพระมาหาบุพพาราะ ส, าสาาขาขาามาาภาลส่วนตัดว่าจะค่าขงพรองก็สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้การที่มีกระแสพระดัตตนาฏตรัสถามแบบนี้อตาต ม, มาเขา้าใจทั้งนี้ก็เพรว่า ไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นทายก็ดีสิงก็ดีเนคขมะก็ดีในบารมีสิบประการถ้ายึดมันซึ่จริงจริงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยอมเข้าถึงพธิตภัณฑ์ได้สม่ำเสมอกันตรานีเพราะการให้ทาน้จาค่ะคำว่าจาค่แะแปลว่าการให้ที่ตัดอะไรเพลยเลยท่าน เป็นการให้ที่มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันในอารมณ์ใจของทยกับราคะก็จาก่าความจริงถ้ามองใ ก, กล้ๆก็เหมือนกับตัวเดียวกันทานก็ให้จาฆ่าให้เหมือนกันให้ตัดทานให้ประการเกื้อกูลนี่กําลังใจที่ให้ในฐานะที่เป็นจาคา่าก็ตัดเฉพาะให้ไม่หวังผลตอบแทน การให้ประเภทนี้องค์สมเด็จพระมาหามุนีกล่าวว่าเป็นการทำลายโลภะความโลภที่มีอยู่ในจิตและองค์สมเด็จพระธรรมสามิก็เคยเทศกับพระอนาถวินิกาเศรษฐีหลายวาระตามที่คนคว้าเห็นจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สรงเทศกัทบท่านอน า, าธิบันดิวินิกาเศรษฐีส่วนให ญ, ญ่เป็นเ ร, รื่องของทาน ม, ามักจะไม่เคยปรารบเรื่องอื่นกับท่านอนาอนาติวันินิกาเศรษฐีแต่ถ้าวหวกระแสบริ ส, สัทธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จสมมาหาวุนีแยาเทศเรื่องอะไรก็ตามในขั้นสุดท้ า, นน า, า, โาโยโรงมักจะลงด้วยอาิยศัตรี นั่นชีว่าเป็นความฉลาดเขาองสมเด็จพระมหามุลีที่เป็นสัพพันยูเ <c oughs> มื่อในการนี้พระมหาบพิตพระราชสมภานทรงยืนยัมนมาว่าจาข้าเขเข้าถึงระนิพานได้อัตมาก็ขอยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความจริงซึ่งจะพิจารณาเห็นได้ว่าคำทานการให้ เนจ่าพระก็การให้เหมือนกันเนจ่าพระอ่านให้เพื่อการตัดอันไลเสียเลยไม่มีการเกือก้อปูนไม่ได้หวังผลจะตอบสนองมาในรูปไหนเขาช่างถีอว่าเป็นการให้แต่กำลังใจเพื่อทำลายโลภะความโลภในจิตเมื่อทำลายโลภะความโลภได้ก็ทำลายโทสะความโกรธได้ เหตที่จะทําทลายโลภะความโลภกะโทษาความโกรธได้เราก็ต้องทําลายโมหะได้เสียก่อนนี่คนที่ให้ทายคนดีนี่คนที่ใช้คําว่าให้เบจจาคะเพื่อตัดอะไรเขาตามก็เป็นคนที่มีความฉลาดแล้วโมหะอาตมาเขากล่าวว่าเป็นความโลอย่าไม่แปลว่าความหลงอย่างคนนี้เัาพูดกัน แต่คนถ้าไม่โง่มันจะหลงได้ยังไงคนที่หลงก็เพราะว่าเป็นคนโง่ตอนนี้การให้ทานครั้งหนึ่งเรียกว่าแจากค่ากุฏานขอถวายพระพรใช้สัพพะฐานซึ่งเป็นของง่ายบ <c oughs> ุคคลที่จะมีกำลังใจให้ทานแต่ันหนึ่งวาระทุกครั้งก็จะเห็นว่า บุคคลนั้นต้องใช้บา ร, รมีทั้งสิบประการครบพ้นจึงจะให้ได้ถ้าบา ร, รมีสิบประการมีกําลังไม่ครบพ้นการให้ทานก็จะเป็นการให้ทานแบบประเภทเกือกูลหวังผลตอบแทนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าจากพระเรียกล่าวว่ากําลังใจของท่านคนนั้นที่เรียกกันว่าบารมียังอ่อนอยู่ ยังหวังมีการยืดหยุ่นเพื่อต้องการให้แล้วก็ต้องการคืนหวังผลตอบแทนแต่การให้โดยอาศัยจา่ากคะเป็นพื้นฐานอันนี้อาตมาเข้าใจว่าองค์สมเด็จพระ毗ชิธมานต้องตัดว่าต้องอาศัยกฎสิประการครบถ้วนชื่อบรรมีสิทธิ์นี่เป็นความเข้าใจของอาตมาเอง ถ้าเป็นการผิดพลาดประการใดอาตมาขอรักจิตแต่ผู้เดียวคได้โปรดเยียไอย่าทรงเห็นว่าเป็นคําสอนเขาองสมเด็จพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมากล้าถวายพระพรแบบนี้ก็เข า, เามีความเข้าใจแล้วว่าพระมหาบาพิษมีความเข้าใจในว่าทำคำสั่งสอนเขาอง ส, อองสมเด็จพระพุธ ท, ทธเจ้าเป็นอย่างดี <c oughs> ตั้งนี้พ่อะไรก็พกว่าคำถามที่ทรงจัดมาก็ดีความห้องค้องใจที่ทรงแสดงออกมาทางท่านหม่อมเจ้าหญิงพาวาดีก็ดีทั้งหมดนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรได้เป็นอย่างเลิศ เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งนี้ต้องขอจํากัดว่าตามปัญญาพ่อตมาที่มองเห็นเป็นการให้ทานครั้งหนึ่งการให้ทานแต่ละครัร้งทานเป็นบารมีข้อที่หนึ่งการให้เด่คนที่ะพึงให้ทานได้นั้นต้องประกอบด้วยคนที่ทำหลายประการ จริงจะให้ได้การให้ทานต้องมีเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนถ้าขาดเมตตาเป็นเครื่องค้ำจนุนแล้วการให้ทานย่อมให้ไม่ได้เพราะคนที่เกลียดอยู่ไม่มีใครให้คนที่เป็นศัตรูไม่มีคนปรารถนาจะพึงให้ แต่กําลังใจ ย, ยังคิดว่าบุคคลนี้เป็นคนที่ไม่ควรที่เราจะคบหาสมาคมเพราะเครียดใจริยาอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าบุคคลนี้เป็นศัตรูของเราถ้าอารมณ์อย่างนี้มีต่อบุคคลผู้ให้บุคคลนั้นเขาจะให้ไม่ได้ดะนั้นคนที่จะมารับทานจะเป็นศัตรูหรือจะเป็นมิตรก็ตาม ผู้ให้จะต้องมีอารมณ์เริ่มต้นคือเมตตาความรักมีความปรารถน า, าดีแกบุคคลผู้จะผู้รับจึงจะให้ได้อย่างองค์สมดเด็จพระจอมไตรบรมส า, าสสันดาสัมมาสัพพุทธเจา้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณเมตตาในพระทวทวัศห ท, ท, ทั้งทั้งที่พระเทวทัตก็มีประกาศตนเป็นศัตรูกับพระองค์ทรงหาพยายามหาทางไกลแกล้งพระองค์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการอาศัยที่องค์สมเด็จพระมกุฎิพิจิตร ม, มานมีพระมหากรุณาธิคุณมีเมตตาความรักมีกรุณาความสงสารในพระเทวทัตเห็นว่ามีความประพฤติ ผ, ผ่านม า, นาในเนกชาติ อมสมเด็จพระบรมโลกนาชมีความประสงค์จะเพื่องแบ่งเบาความทุกข์ให้น้อยลงไปนี่เชนั้นพระเทวทัยก็ยึดจมปรังอยู่ในเวทีมหานรกสิ่งการนานเช่นนั้นองค์สมเด็จพระพิจิตมานได้ให้พระเทวทัตบวชแล้วก็สอนให้ได้ฌานโลกีทรงอภิญญาสมาบัตเป็นปัจจัยให้พระเทวทัตไม่ต้องลงต้องทุกข ทุกเวทนานเวจีมหานรกสิ้นตลอดหนึ่งกับใช้เวลาไม่นานไม่กี่พันปีนักเมื่อพระพุทธศาสนานี่พ้นไปช่วงระหว่างที่พระเสีอันยังไม่ตรัสเวลานั้นพระเทวทัยก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ได้บรรลุเป็นพระปเจกับพทธเจ้า อั้งนี้ก็เพราะอาศัยความดีที่องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำสั่งสอนและเมตตาไม่ถือโทษเกล่อเครื่องพระทิวทัทอันนี้พระมหาบพิจะทรงเห็นว่าคนที่จะพึงให้ทานได้อันดับแรกต้องมีเมตาก่อนเป็นบารมีที่สองเพราะถือทานเป็นบารมีที่หนึ่ง นีคนถ้ากระนาให้มีเมตตาเมตตานี่เป็นปัจจัยให้เกิดศีลคนที่มีศีลบริสุทธิ์ได้เพราะใส่มีเมตตาเป็นปุเรจาริกคำว่าปุเรจาริกก็หมายถึงว่ามีเมตตาเป็นเบื้องหน้า การถวายพระพรในคราวนี้ต้องกำแ่ง MMI บางครั้งพูดไม่ชัดเรื่องขอได้โปดรดทราบว่ากำลังป่วยอยู่เหมือนกันไข้หวัดกำลังเข้าใจการกับคนห้าแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องของพระศาสนาอาตมาไม่ท้อใจในสองสามวันคือวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมกับวันที่หนึ่ง ก็จะเข้าเยี่ยมทหารที่จังหวัดน้านในฐานต่างๆกับเทียงรายหมอเตือนบอกว่าเวลานี้ไข้หวัดใหญ่กล้ไข้เลือดออกมีอยู่ที่นั่นถ้าจะมาก็ไม่หนักใจจะเป็นยังไงก็ช่างคันห้า่าพังไปเรื่องของคันห้าแต่หากการให้กำลังใจเห็นว่าบุคคล ผู้อยู่ที่ชายแดงเขาเป็นคนที่มีคุณถ้าทดหารซึ่งเป็นรัวอ่อนแอชาติสลายตัวพระศาสนาอยู่ไม่ได้อาตมาก็จะไปถ้าบังเอิญมันจะตายสนักสนามรก็ตามใจทหาหันจะได้ทราบว่าการป่วยไข้ไมนสบายการตายไม่ได้มีแก่ประชาชนอย่างเดียว แม้เธอพระก็ป่วยพระก็ยางตายถ้าจะได้มีความไม่สมะมาเพื่อนุว่าอัาทมาเขาถวายพระพรต่อไปที่เว่อกล่าวตัดด้วยความกระภาว่าอามันซ้อนเข้ามาด้อ <c oughs> ความก็ะแสมันก็ซ้อนเข้ามาถ้าจะฟังกันจริงๆพิจารณากันแล้วเห็นว่าเป็นจริยาไม่ได้ไม่สมควร ทจะถวายพระพรเรื่องราวต่างๆแล้วมีการแกล้มแยมไอเพราะตรงนี้เพราะว่าคันห้าบังคับไม่ได้ดถ้าจะมาก็เต็มใจที่จะเพ่งปฏิบัติในด้านธรรมะ ต, ต่อไปนี่เป็นนั้นว่าในเมื่อคนมีเมตตาแล้วสิ่งก็ต้องเกิดเพราะสิ่ทุกข้อจะมีได้เพราะอาศัยเมตตาเป็นบุเรจาริกเป็นเบื้องนา เป็นอันว่าในขณะที่ให้ทานนั้นคนนั้นก็เป็นคนมีศีลด้วยเพราะว่าศีลเป็นปัจจัยให้มีอารมณ์ใจเยื่อเกินสร้างความเป็นมิตรคนที่ทำลายศีลทศศีลไม่มีมีอารมณ์อย่างเดียวคือความหิ้ยมโหดสร้างศัตรูเห็นว่าศีลข้อทั้งห้าขอ้อ ก็อาศัยเมตตาเป็นสําคัญนําหน้าคนเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตไม่ทําร้ายก็อาศัยความรักรักแล้วทําำลายไม่ได้รักแล้วขโมยของเขาไม่ได้เมารักเสร็จแล้วทําลายจิตใจไม่ได้จะแย่งขูรักเขาไม่ได้เมื่อรักแล้วก็หกมเท็ดไม่ได้รักแล้วก็ไม่สามารถจะทําตัวให้เละเทะ เลเธอไรสตริชั่จัญญาคือการดื่มสุราได้เมรัยนี่พระมหาบอกพิเห็นว่าการให้ทาน <c oughs> ก็มีต้องมีสิ่งเข้าควบคุมถ้าไม่มีสิ่งเข้าควบคุมให้ทานไม่ได้เพราะขาดเมตตานี่มามองกันต่อไปว่าขณะที่มีเมตตาจิตคิดจะสงเคราะห์ ตัดอารมณ์ความทุกข์ของบุคคลโู้รับทานเพื่อเนการเสริมสร้างความสุขขั้ข้างก็มีความเป็นอยู่เป็นสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นผลตอบแทนนั้น